ที่เป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริงเป็นที่หลบภัยจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วแล้วได้นำเอาวิธี การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์เราก็ปฏิบัติตามคําสอนเพราะเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนตามความเป็นจริงและพระอริยสงสาวก เป็นคนที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือศรัทธาของพวกเราคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลที่เลิศที่ประเสริฐเป็นคนจริง เป็นไม่ใช่เป็นนิยายไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาแต่เป็นความจริงพระพุทธเจ้านี้ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นปุตุชนคือเป็นคนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลง ม, มีความอยากต่างๆมีความทุกข์อยู่ในใจเหมือนพวกเรา ที่เป็นอยู่กันในขณะนี้แต่พอพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เห็นความจริงของชีวิตเห็นว่าร่างกายของพระองค์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์ก็กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตาย จึงอยากจะหาวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพา mm ่อองค์จึงตัดสินใจออกบวชบวชแล้วก็ศึกษาหาวิธีที่จะดับความทุกข์ใจเวลาที่คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตาย mm hmm. ก็ได้ทรงศึกษาปฏิบัติอยู่หกปีด้วยกัน จนในที่สุดพระ อ, องค์ก็สามารถที่จะทำให้ใจของพระ อ, องค์นั้นไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปและสามารถทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปด้วยนี่คือพระพุทธเจ้าของพวกเราที่ตอนเกิดมาก็เป็นเจ้าชาย เป็นพระราโชรถอยู่ในวังอยู่ด้วยความสุขแต่หลังจากที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทําให้รู้ว่าความสุขที่ได้ที่มีอยู่ในวังนี้เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถมีความสุขที่มีอยู่ได้ จึงต้องออกไปบวชเพื่อจะได้หาวิธีทำให้มีความสุขเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บเวลาที่ตายก็หลังจากได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ค้นคว้าก็พบทางที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย การได้พบทางและการได้ทําให้ใจของพระ อ, องค์ไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายจึงทําให้พระ อ, องค์มีฐานะเป็นพระอารหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอารหันต์ก็คือผู้ที่กําจัดต้นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ต้นเหตุที่ทําให้ใจต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆต้นเหตุก็คือกิเลสตัณหาได้แ ก, ก่ความโลภความโกรธความหลงได้แก่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบต้นเหตุสาเหตุที่ทําให้ทุกข์ สาเหตุที่ทําให้มาเกิดแก่จิตตายพราะองคก็ทรงค้นคว้าหาวิธีที่จะกําจัดความอยากเราต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปหลังจากที่ได้ค้นพบก็สามารถทําลายความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดไปใจก็เลยสะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆก็คือพระอาหารหันต์ใจของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสแลเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือนอกจากได้เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้ว ยังเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นผู้ที่ค้นพบทางที่จะทำให้สิ้นกิเลสด้วยตนเองไม่มีใครรู้ใครใครสอนได้เพราะทางที่จะดับความทุกนี้ในโลกนี้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าบาเพ็ญอยู่ไม่มีใครรู้จกักไปศึกษาไปถามใครก็ไม่มีใครรู้วิธีดับความทุกข์ใจ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายหนับการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าหาทางด้วยตนเองผู้ที่ค้นคว้าพบทางก็จะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจรู้ด้วยตนเองโดยชอบรู้ความจริง ที่ทำให้สัตว์โลกกลับมาเกิดแก่เจ็บตายรู้ความจริงที่ทำให้ใจต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายและรู้วิธีการกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยตนเองจึงเรียกว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้ที่เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผูน้นี่คือคุณสมบัติของพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสอนคือทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องทุกข์กับการพลาดพลาดจากกัน ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่นี่แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกับที่พวกเรายังต้องกลับมาเกิดมอแก่มาเจ็บกันตายอยู่นี่คือเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพบทางด้วยตนเองพบวิธีกาจัดการเกิดแก่เจ็บตายกาจัดความทุกข์ด้วยตนเอง แล้วหลังจากนั้นก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนบอกผู้อื่นให้ได้รู้ให้ได้ปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระสาวกต่อไปนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พเพื่อเปากราบไหว้บูชาเคารพนับถือเลื่อมใสถ้าพระพุทธเจ้าไม่ขวนขวายในการที่จะเอาความรู้ อันวิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกพระ อ, องค์ก็จะไม่ได้เรียกว่าพระาอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าพาระปเจ ก, กะพระพุทธเจ้าคือตัดสร้ด้วยตนเองหลุดพ้นจากกองทุกข์ด้วยตนเองเป็นพระาอารหันต์ด้วยตนเองแต่ไม่สั่งสอนผู้อื่นพระปเจ ก, กะเป็นผู้ที่รู้แล้วไม่เอามาสั่งสอน มาบอกคนอื่นก็จะรู้คนเดียวหลุดพ้นคนเดียวแต่พระอรหันตตาสามมาสามพุทธเจ้านี้ท่านมีความสงสารท่านมีความสามารถที่จะเอาความรู้ที่ท่านรู้นี้เอามาสอนให้คนที่ไม่รู้สามารถรู้ได้สอนให้คนที่ยังทุกข์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้สอนให้คนที่ยังต้องเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรามีพระพุทธเจ้าสองแบบพระอาหารหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็นําเอาคําสอนมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้พระปเจกับพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วแต่ไม่สั่งสอนใครนี่คือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรา ไปพบกับพระปบาเจกครับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะท่านจะไม่สอนเราต้องให้มีต้องเป็นพระอาลหลตัสมมาสัมพุทธเจ้าตัดฉล้แล้วแล้วเอาความรู้ที่รู้นี้มาสั่งสอนผู้อื่นอีกต่อพอมีการสั่งสอนก็มีพระธรรมคําสอนปรากฏขึ้นมาเป็นพระรัตนาะเป็นรัตนาองค์ที่สอง องค์แรกก็คือพระพุทธรัตนะพอพระองค์ประกาศคำสอนสั่งสอนให้พวกเราที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจยอยูพอ่พอผู้ใดได้ฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็จะเป็นบรรลุเป็นพระอรหันตะสาวก อันนี้จะไม่เรียกว่าเป็นอาหารอาหันอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งพระอาหารหันต์ก็มีสองแบบพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารอาหาันต์ได้ด้วยตนเองค้นคว้าหาวิธีกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ด้วยตนเอง ยังเรียกว่าเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสาัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้กำจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป ก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาไม่ได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีเพียงองค์เดียวนอกนั้นจะเรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสาวกคำว่าสาวกก็เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ฟังคำสอนสาวกแปลว่าผู้ฟังพอฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัต ก็สามารถกำจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทำให้ใจหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นพระอาลหันตสาวกุกแล้วก็กลายเป็นพระรัตน์เป็นพระรัตนองค์ที่สามคือสังขรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะ เป็นบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกับเพชรนินจินดาแต่มีคุณค่ามากกว่าเพชรนินจินดาเป็นหลายล้านเท่าเพราะเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้มีเพชพรพลอยมีเงินมีทองกองเท่าภูเขา แต่ใจก็ยังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต้องทุกข์กับการพลาดพาจากกันแต่ถ้าผู้ใดได้มาพบกับพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะแล้วนี้จะสามารถทำให้ใจของตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปเนี่ยพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จึงถือเป็นพระรัตนะที่สูงสุดที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่ารัตนะต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่โชคดีเป็นเหมือนพวกที่ได้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งได้พบกับพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสงฆรัตน ะ, ะแล้ว เราก็จะสามารถที่จะทำให้ใจของพวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง mm hmm. เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการได้เป็นมหาเศรษฐี mm hmm. เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเป็นพระราชามหากรย์ mm hmm. เป็นประธานาธิบดี mm hmm. เป็นนายกรัฐมนตรี mm hmm. นี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรที่จะศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธ ร, รัตนะนี้คืออะไรพระธรรมรัตนะคืออะไรพระสังฆรัตนะคืออะไร พราถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่รู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราจะไม่รู้คุณค่าของเงินทองเราเห็นแล้วเราก็ไม่สนใจเราสนใจกับขนมมากกว่าเพราะขนมนี่เรากินได้แต่พอเราโตขึ้นมาเราเริ่มรู้คุณค่าของเงินทองเราก็เลย มีความยินดีกับเงินทองมากกว่ายินดีกับขนมกับของเล่นต่างๆเพราะถ้าเรามีเงินทองเราสามารถซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากได้แต่ตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้แต่พอเราจเจริญเติบโตขึ้นมาเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถึงคุณค่าของเงินทองเราก็เลย รู้คุณค่าของเงินทองและลักที่จะหาเงินหาทองจนบัดนี้พวกเราก็ยังหาเงินหาทองกันอยู่และจะหาไปเรื่อยๆจนวันตายเพราะเราเห็นคุณค่าของเงินทองว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายได้เพียงแต่ว่าเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ทางใจได้ เราต้องเอาเงินทองของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตรนานี้มาเป็นตัวกำจัดความทุกข์เป็นตัวที่สร้างความสุขให้แก่ใจของเราเหมือนกับที่เราใช้เงินทองดับความทุกข์ทางร่างกายและสร้างความสุขให้ทางร่างกายเราก็ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เป็นรัตนะที่เป็นเงินทองที่จะมาสร้างความสุขให้กับใจและดับความทุกข์ให้กับใจของเราเราจึงต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณค่าอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็จะอยากจากหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับที่เรารู้คุณค่าของเงินทอง เราก็อยากจะหาเงินทองกันถ้าเรารู้ว่าถ้าเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสมบัติของเราเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราได้มาพบกันในพบน้ชานนี้เราจึงไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หลุดออกจากมือของพวกเราไปเราต้องมาไขว่คว้าเอามาเป็นสมบัติของเราให้ได้เพื่อที่จะได้มากําจัดความทุกข์และสร้างความสุขให้แก่ใจของเราไปอย่างถาวรเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือใครเรารู้แล้วว่าพระอริยสงสาวกคือใครเรายังไม่รู้ว่าพระธรรมคำสอนเป็นอะไร สอนให้เราทำอะไรและมีประโยชน์อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติของพรอธรรมคำสอนก็คือเป็นสวากขาโตภะวตาธรรมโมเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงความจริงคืออะไรความจริงก็คือความทุกข์ใจของพวกเราที่เราได้มาพบกับความแก่ความเจ็บความตาย และต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพลัดพรากจากกันกับเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดจากความอยากของเราเกิดจากความโลภของเราและวิธีที่จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องมากำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ สิ่งที่จะสามารถกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทํากันนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรกันก็สอนให้เราทําบุญทําทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนาภาวนาก็คือการทําใจให้สงบสอนใจให้ฉลาด ทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทำทานทำเพื่ออะไรทำเพื่อกำจัดความอยากความโลภนั่นเองถ้าเราไม่ทำทานเราจะโลภอยากจะได้เงินได้ทองมากๆแต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เราได้มานี่ที่เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ที่เราไม่ต้องอาศัย เราเอาไปทำบุญทำทานมันจะทำให้เราลดความโลภความอยากได้เงินทองเมื่อเราไม่มีความโลภความอยากในเงินทองเราก็จะกาจัดความทุกข์ไปได้ในเรื่องหนึ่งแล้วก็คือเรื่องเงินทองถ้าเราทุกครั้งที่เรามีเงินมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ใช้แทนที่จะเอาไปซื้อของไม่จำเป็น แทนที่จะเอาไปซื้อของเล่นซื้อของฟุ่มเฟือยแทนที่จะเอาไปเที่ยวกันเราเอามาทาบุญดีกว่าเพราะมันจะทำให้เราลดความอยากได้เงินได้ทองลงไปแล้วจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจจะทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินทองเพื่อมาซื้อของต่างๆให้ความสุขกับเราเพราะการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆนี้ สู้การใช้เงินทองไปในการทําบุญไม่ได้เอาเงินทองไปทําบุญแล้วจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องไปดิ้นลนหาเงินทองมากจนเกินไปถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะไปเที่ยวหรือไปทําบุญ เราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราก็ไม่อยากเที่ยวไม่อยากใช้เงินทองซื้อของฟุ่มเฟือยเมื่อไม่มีเงินทองทำบุญก็ไม่ต้องทำบุญเพราะเรามีบุญอย่างอื่นที่เราต้องทำต่อก็คือการมารักษาศีลกันตอนต้นก็รักษาศีลห้ากันก่อนแล้วพอรักษาศีลห้าได้ก็หัดรักษาศีลแปดในวันพระกันหรือในวันหยุดทำงาน สมัยนี้วันหยุดทำงานของพวกเราไม่ตรงกับวันพระก็จะไม่สะดวกในการที่จะมาวัดมารักษาศีลแปดและมาภาวนาเราก็ต้องเลือกเอาวันที่เราไม่ต้องทำงานมาเป็นวันพระของเรามารักษาศีลศีลแปดกันอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มาอ ย, อยู่วัดกันมารักษาศีลแปดกันแล้วก็มาภาวนากัน เาการรักษาสิ่งแปรจะกําจัดกระความอยากได้อีกหลายส่วนด้วยกันความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะถูกกําจัดไปความอยากที่จะกินอาหารหลังจากเที่ยววันไปแล้วก็จะถูกกําจัดไปความอยากไปเที่ยวไปดูหนังดูละคระก็จะถูกกําจัดไปความอยากที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทําทเผาทําทผม ก็จะถูกตัดไปความอยากที่จะนอนมากๆก็จะถูกตัดไปเพราะจะให้นอนบนพื้นแข็งไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆถ้านอนบนพื้นแข็งๆเน่พอนอนพักผ่อนพอร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาภาวนาเพื่อมาหยุดความอยากที่ยังหลงเหลืออยู่ ให้มันหมดไปจากใจความอยากนี้จะหมดได้ต้องเกิดจากการภาวนาสมถภาวนาก็หยุดไว้ชั่วคราวถ้าเราได้วิปัสสนาภาวนาเราก็จะกำจัดความอยากได้อย่างถาวรเมื่อเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์และกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนเป็นความจริงมีผู้ที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กระทาคือให้ทาทานให้รักษาศีล ให้ภาวนาแล้วใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใจจะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานี่คือพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นพี่เป็นผู้ที่พิสูจน์แล้วจึงไม่มีพระอาหารหันตสาวกรูปใดที่จะออกมาคัดค้านว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่เป็นความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทุกประการสอนให้ทำอะไรแล้วจะได้ผลอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นสอนให้ทำบุญแล้วตายไปจะไปสวรรค์ก็จะได้อย่างนั้ น, สอ น, ส, รรอ น, นสอนให้ละการกระทำบาปถ้าไม่ละการกระทำบาปถ้าทำบาปแล้วตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายอันนี้เป็นความจริง สอนให้เราหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆแล้วจะได้ไปนิพพานได้ไปเป็นพระอาหารหันตสาวูไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นความจริงและคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาเป็นอากาลิโกคือ คำสอนนี้สามารถเอามาปฏิบัติได้ในทุกยุคทุกสมัยสมัยพระพุทธการก็ปฏิบัติและได้ผลอย่างไรสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้ผลเหมือนกันเพราะคำสอนนี้ไม่เสื่อมไปไม่เสื่อมตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งของต่างๆเช่นยูกยาอาหารมักเดี๋ยวนี้จะมีฉลากติดไว้กับยาติดไว้กับ อาหารบอกว่าต้องบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้ถ้าหลังจากนั้นแล้วอาหารจะไม่จะเสื่อมคุณภาพยาจะเสื่อมคุณภาพจะไม่สามารถทำหน้าที่ของอาหารของยาได้อย่างเต็มที่แต่คำสอนของพระพทธเจ้านี้เป็นอาการิโกไม่มีวันเสื่อมไม่ว่าเราไม่ว่าจะใช้ในปีไหนสมัยไหน สามารถที่จะทําให้ได้ผลเช่นเดียวกันทุกยุคทุกสมัยดังนั้นพวกเรามีความมั่นใจได้ว่าถ้าเราได้พบกับพระธรรมคําสอนแล้วถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อน้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วผลที่ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้รับผลในสมัยพระพุทธการคือได้เป็นพระอรหันตสาวกก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันเช่นเดียวกัน สิ่งที่สําคัญก็คือขอให้เราปฏิบัติเหมือนกับพระอรหานตสาวกปฏิบัติกันเท่านั้นก็คือต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิกปฏิปันโนถ้าเรามีสุปฏิปันโนมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไม่ว่าเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นนักบวชหรือเป็นคารวาเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศก็สามารถที่จะรับผลจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ด้วยกันทุกคนดังนั้นพวกเราไม่ต้องกังวลว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคารวาหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ถ้าเรามีความสามารถปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ รับรองได้ว่าเราจะได้รับผลเหมือนกันหมดทุกคนเพราะว่ามีผู้ที่ได้รับผลมาแล้วมีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่สามารถที่จะรับผลจากการปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเท่านั้นแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐ คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการได้ไปถึงพระนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของความศรัท ธ, ธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นําเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรและการหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้